ข้อที่22่ข้าแต่มหาราชจจาพระองค์เสด็จมาดีแล้วอันหนึ่งพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายพระราชาทรงเลื่อมใสในปฏิสันฐานของนกปุปกะนั้นทรงสรรเสริญ น, นกปุปกะทรงตำหนินกสติคุมภะนอกนี้ด้วยพระดำรัสว่านกนี้ดีหนอเป็นชาตินก วงเล็บเปิดแต่วงเล็บปิดทรงธทมอย่างเยี่ยมส่วนนกแขกเต้านอกนี้พูดแต่คำมักได้นกปุพกะได้ฟังพระดำรัสนั้นจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ร่วมมารดาเดียวกับนกนั้นแต่เขาเติบโตในสำนักพวกคนไม่ดีถูกพวกเขาแนะนำแล้วด้วย โจรธรรมข้าพระองค์เติบโตแล้วในสำนักของพวกคนดีอันพวกเขาแนะนำแล้วด้วยฤอษีธรรมเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งสองจึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรมดังนี้เมื่อจะแสดงธรรมแด่พระราชาได้กล่าวคาถานีว้ว่า